งานศพลอนเมื่อเพื่อนเก่าโทรมาเรียกให้ไปงานศพยาสัมผัสสยองนี่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่ได้เจอกับสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงดีเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2559ซึ่งมันก็เกือบจะสองปีแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าวันศุกร์ที่28ตุลาคม2559ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มเศษขณะที่ผมกำลังลงลิฟต์อยู่ ก็มีสายเรียกเข้าดังจากโทรศัพท์ผมเมื่อผมหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าใครโทรมาก็เห็นว่าที่หน้าจอโทรศัพท์นั้นไม่แสดงเบอร์โทรเข้าผมกดรับสายตามปกติแต่เสียงในสายที่พูดกับผมนั้นมันขาดขาดหายหายเหมือนกับว่าสัญญาณไม่ดีซึ่งผมก็คิดว่าในลิป์มันอาจจะเป็นพื้นที่อับ สัญญาณโทรศัพท์ก็เลยค่อนข้างแย่แต่ผมก็ยังพอจับใจความได้ว่าคนที่โทรมานั้นเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันชั้นประถมแ ล, ล้วฮัลโหลสวัสดีครับนัดเปล่าใช่นัดไหมใช่ครับใครครับเนี่ยเราโดมเองยังจำเราได้ไหมอ๋อ จำได้จำได้ว่าไงเพื่อนเสียงแปลกปลกเป็นอะไรหรือเปล่าคือย่าเราเสียว่างๆก็มานะเออเออเสียใจด้วยนะเดี๋ยว เ, เป็นว่าจะไปเสาร์นี้แล้วกันเออขอบใจมากเพื่อนแล้วเจอกันนะแล้วมันก็วางสายไปวันถัดมาเป็นวันเสาร์ที่29สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า ผมก็เดินทางไปบ้านของโดมซึ่งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่กว่าผมจะทำธุระอะไรเสร็จและกว่าผมจอกเดินทางก็ทำให้ผมไปถึงยังจุดหมายล่าช้าเมื่อไปถึงมันก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วพอผมไปถึงที่บ้านโดมก็เจอพ่อของโดมผมก็ท้าวความให้ท่านฟังแล้วก็ถามหาโดมเพื่อนผมพ่อของโดมก็บอกว่า โดมอยู่ที่วัดซึ่งวัดนั้นห่างจากบ้านสกว่ากิโลเมตรไว้พรุ่งนี้เช้าจะพาไปคืนนี้นอนกันที่บ้านก่อนผมคิดว่าโดมมันคงจะไปเตรียมงานที่วัดรอขนศพย้าไปในวันพรุ่งนี้ส่วนผมจะไปวัดตอนนี้ก็ใช่เรื่องระยะทางไม่ใช่ไกลๆแล้วมันก็ดึกแล้วด้วย บ้านโดมเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆหลังไม่ใหญ่มากพอเดินเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมันเป็นโลงศพยากของโดมซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพ่อก็เอาของกินมาให้ผมแล้วบอกกับผมว่ามาเหนื่อยไปอาบน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้มานอนพักผ่อนเมื่อผมมองไป ร, บรอบๆก็เห็นแม่ของโดมนั่งหน้าเศร้า หันหน้ามาทางผมผมยกมือไหว้แม่โดมก็พยักหน้ารับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อก็มาถามผมว่าจะนอนตรงไหนจะได้เอาที่นอนมาให้ตอนนั้นผมเห็นชั้นล่างมีเตียงไม้ไผ่อยู่ผมเลยบอกกับพ่อว่าพ่อครับเดี๋ยวผมนอนตรงนี้ก็ได้ แล้วพ่อก็ถามผมนอนได้นะไม่กลัวนะเออได้ครับพ่อสบายมากแต่ในใจผมตอนนั้นก็ยังกลัวๆอยู่คนต่างจังหวัดที่นี่นอนกันเร็วสี่ทุ่มนี้ก็เงียบกันหมดแล้วด้วยความที่ผมทำงานมาเหนื่อยบวกกับการเดินทางจากกรุงเทพมาเมืองการมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยและพลอยหลับไปนั นัดเสียงเรียกเบาๆใกลๆหูผมในกลางดึกทําให้ผมค่อยๆลืมตาแล้วลุกขึ้นมาดูรอบๆตัวผมเพื่อหาต้นตอของเสียงว่าใครมาเรียกแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครเมื่อมองดูแล้วไม่มีใครผมก็คิดว่าตัวเองคงจะฝันหรือไม่ก็หูแว่วไปเองเลยเอนตัวลงเพื่อจะนอนต่อ อากาศก็ยิ่งหนาวๆอยู่ด้วยฝนข้างนอกก็ตกอีกแต่จังหวัดที่ผมกําลังจะเอ็นตัวลงนอนหางตาผมก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งที่ลงศพยากของโดมฝาลงฝาลงมันกําลังค่อยๆเปิดแง้มออกมาทีละนิดทันใด น, นั้นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะเห็นมันก็เกิดขึนมันเป็นมือผมเห็นเต็มสองตา ว่ามันเป็นมือจริงๆมือนั้นกำลังยื่นออกมาจากในลงแล้วเอื้อมมาหยิบไข่ต้มในถ้วยที่วางไว้ข้างลงผมรู้สึกตัวชาไปทั้งตัวเหมือนกับว่าตัวเองขยับไม่ได้ขณะที่ผมกาลังตกตะลึงและตกใจด้วยความหวาดกลัวผมก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงมาพูดใกล้ๆหูผมนอนเถอะดึกแล้ว จากนั้นก็เหมือนกับว่าโลกมันมืดไปหมดผมสลบไปโดยไม่รู้ตัวพอสะดุ้งเตือนอีกทีก็เช้าแล้วพ่อของโดมก็มาเรียกวันนี้จะย้ายศพญาของโดมไปที่วัดญาติๆก็ช่วยกันเอาลงศพญาของโดมขึ้นรถหกล้อไปที่วัดพอมาถึงที่วัดพ่อของโดมก็มาถามผมว่าจะไปหาโดมไหม ผมก็ตอบไปสิครับพ่อแล้วพ่อก็ถามผมว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมผมก็ได้แต่พยักหน้าพ่อโดมพาผมเดินอ้อมศาลาไม้เก่าๆเมื่อผมมองโดยรอบก็เห็นว่าวัดนี้เป็นวัดป่าไม่ค่อยเจริญเหมือนวัดในเมืองพอถึงศาลาไม้เก่าๆอีกหลังหนึ่งพ่อก็บอกกับผมว่านี่ไง โดมแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือโลงศพและมันก็มีรูปเพื่อนผมที่ชื่อโดมตั้งหยุดตรงด้านหน้าผมหน้าชาพูดอะไรไม่ออกตอนนั้นรู้สึกว่าความกลัวมันเริ่มเข้ามาในหัวสมองผมแล้วพ่อโดมก็บอกกับผมว่าโดมขีม่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถสิบล้อใต้คาที่ และโดมก็ตายได้สามวันแล้วพอย่ารู้เข้าก็ตรอมใจตายต า, ยตามไปด้วยผมนี่อึ้งไปเลยคิดย้อนหลังกลับไปว่าเมื่อวานโดมยังโทรมาหาผมอยู่เลยแล้วไงถึงได้ตายมาหลายวันแล้วแล้วที่โทรมาหาผมนั้นคือใครเป็นอะไรกันแน่พอตั้งสติดได้ผมก็เลยถามกับพ่อโดมว่าแล้วแม่ล่ะครับ ไม่เห็นท่านมาด้วยพ่อโดมก็บอกกับผมว่าแม่โดมเสียไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วตอนนี้ทั้งบ้านก็เหลือพ่อคนเดียวนี่แหละยังไม่รู้เลยว่าจะได้ตามบุกเขาไปเมื่อไหร่ผมอึ้งหนักยิ่งกว่าเดิมทําอะไรไม่ถูกและก็ไม่ได้พูดอะไรกับพ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาผ่านไปจนมาถึงช่วงบ่ายงานศพทุกอย่างก็ดูราบเรืน ทานไปด้วยดีแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนดึกซึ่งผมรู้สึกว่าตัวผมเริ่มไม่ไหวแล้วรู้สึกเทียมากก็เลยลาพ่อขุงโดมกลับกรุงแทพแต่ขากลับรถผมสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดตอนไขกุญแจรถไฟหน้าปัดก็กระพริบทีๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดก็เลยจะลงไปดู จังหวัดที่ผมเดินลงจากรถเพื่อไปดูแบตเตอรี่จู่ๆก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาที่รถผมแล้วพูดว่าโยมโยมลงมาเถิดโยมต้องอยู่ในที่ของโยมแล้วนะโยมไปกับเพื่อนโยมไม่ได้หรอกพอสิ้นเสียงพระท่านได้ไม่นานรถผมก็ติดเครื่องเองผมอึ้งแล้วอึ้งอีกจนหน้าชามือชาไปหมด แล้วผมก็ยกมือไหว้พระท่านจากนั้นก็ขับรถออกมาจากวัดซึ่งเวลาในตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่มกว่ า, วาแล้วผมเดินทางกลับกรุงเทพด้วยอาการมึนๆทังยังมีคำถามต่างๆซึ่งหาคำตอบไม่ได้คําถามเหล่านั้นมันอยู่ในหัวผมเต็มไปหมดเพราะผมกลับมาถึงกรุงเทพผมก็อาบน้ำ อาบเสร็จผมก็นอนสลบไปเลยแล้วก็ป่วยเป็นไข้ไปหลายวันกว่าจะฟืน้นสัมผัสสยอง